วิธีสละของที่เป็นนิสกีสละแก่สงพิคสุนีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงหอมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกลาบเท้าพิกสุนีผู้แก่พันษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนิฉันให้อบริขานที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่พิกษุนีจานวนมากแลกเปลี่ยนมาเป็นนิสกี ทีฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่เธอสละให้ด้วยยติกามมะวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าของนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป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 แม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า